อันนี้แหละถึงว่าคนเรานี้จะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าเราจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราเนี่ยไปอยู่สุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสูงเท่ากับคุณค่าของการกระทาของคนเราเราจะให้ตัวเองในตกต่ำเหมือนคนทั่วไปหรือจะพัฒนาคุณภาพของชีวิตของเราเนี่ยให้สูงส่งอยู่เพราะอยู่เอ่อได้เพราะการกระทาของเราเนั่นเอง แล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเราเกิดมายังเจอคาสอนผู้เจ้าอยู่ซึ่งเป็นผู้ให้ความสว่างแก่โลกนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการตรงนี้แต่คาสอนไม่เหลืออยู่ในโลกนี้เนี่ยเราคงจะเป็นคนเช่นไรบัดนี้เนี่ยเรามาเจอคาสอนแล้วทุกอย่างพร้อมสัรเราจะละเลยความเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือน่าเสียดายว่าชีวิตของเราคงจะ เจออย่างนี้หรือเปล่าเกิดมาโชคดีว่าถึงแม้เราไม่เจอท่านแต่ก็เจอคําสอนของท่านอยู่อย่าล่วงเลยแก่เราไปเสียเปล่าอย่างนั้นหรือก็น่าคิดนะไม่มีอะไรเลยมนุษย์มีแต่ว่าไหลลงต่ํทาทั้งๆที่มนุษย์ก็ใจสูงแต่ทําตนต่ำเหลือเกินคุณภาพของชีวิตของเราไร้ค่าจริงๆถ้าไม่มีศีลธรรมเหล่านี้ นั้นกามาคขุนทั้งหนี่เองสามารถที่จะเอาออกได้จริงๆเราไม่ได้เชื่อว่าธรรมชาติมีทางออกใครๆพูดว่าธรรมชาติให้มาอย่างนี้แก้ไม่ได้หรอกแก้ได้ทีแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะแก้ได้นะไปดูระบบแล้วทํำจริงเอ้าแก้ได้จริงๆนี่โอ้พาระรหัสมีจริงพระเจ้ามีจริงธรรมชาติแก้ไขได้จริงๆก็ทําไมต้องแก้ก็เพราะมันมันทุกข์น่ะเดียร์ที่เคยพ ร, รณนาไว้แล้วว่า โทษของกามมีมากมายเมื่อบุคคลนั้นสิ้นกามแล้วเนี่ยย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมะไม่มูสาไม่สุระทุกอย่างไม่มีเบียดเบียนไม่มีเพราะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างนี้เกิดจากการบีบคั้นของกรรมทั้งหมดที่เราทํอาอกติสไปปล้นเขาไปฆ่าเขามาจากไหนมาจากกามเพราะจะต้องเอารายได้หรือว่าการปล้นนั้นมาเลี้ยงดูครอบครัว เพราะตัวเองกามนั่นเองทำให้มาเลี้ยงดูทุกอย่างโทษทั้งหมดแทบจะทุกอย่างเลยแม้แต่หาไรายได้แม้แต่ห า, าทำธุรกิจการงานต่างๆมาจากกามทั้งสิ้นเลี้ยงดูลูกภรรยาของตัวเองนั่นเองให้ให้มีสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่ความเลวร้วายอยู่ในจิตเราเมื่อบุคคลนั้นสิ้นไปแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ก็ไม่มีการทำอาุศษอีกนรกก็ปิดได้โลกอยู่โลกนี้ก็ไม่มีโทษดังนี้แม้จะตายไปแล้วไม่ต้องพูดถึงอบายสีเลยย่อมเป็นไปไม่ได้นี่คือความแก้ที่เหตุแก้ที่เหตุดันั้นเมื่อแก้เหตุนันได้ทุกอย่างก็จบจิตดูนั้นอยู่ในกามือหมดเลยนะอยู่ในกามือเลยว่าจิตของเราอยู่ในกามือของเราเลยว่าไม่ให้อยู่ไรเลยเพราะเราคุมมาตลอด เรื่องอะไรเวลาตายปุ๊บเราจิตเราจะให้ไปอยู่ที่อื่นอยู่ตามอาเภอใจของเราสิเมื่อก่อนอยู่ตามอาเภอใจของเขาเพราะเราอยู่เราไม่เขาไม่อยู่ในอํานาจของเราเลยเมื่อเมื่อเราอบรมมาแล้วในจิตนั้นอยู่ในอานาจของเราหมดาก็กลายเป็นว่าทุกอย่างอยู่ในกำ ม, มืออันนี้ต้องไปพิสูจน์นะตมาสอนไปนี้ไม่ใช่ว่าสอนเฉยๆนะตมาไม่กลัวนะคนพิสูจน์ชอบปัง อยากจะรู้กันจะถีว่ามันแก้ได้รือไหมบางคนบอกว่าสอนผิดสอนไม่ถูกผิดถูกไม่รู้แหละมาทำกันดีกว่าพิสูจน์กันดีกว่าเราจะได้รู้เลยว่าคุณภาพของการสอนนี้เป็นจริงอย่างนี้หรือไม่เพราะเป้าหมายในาศาสนานี้ทำลายอะไรอะราคะโทสะโมหะถ้ากรรมฐานใดที่ไม่สิ้นตรงนี้เนี่ย ทำไปแล้วราคาไม่สิ้นโทสะโมหะไม่สิ้นจะถูกเป้าหมายได้อย่างไรก็เราทำมาแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมันละได้ไหมล่ะละไม่ได้ก็อบรมมรรคก่อนสิแล้วก็อบรมสมาธิทีหลังเสริมอย่างนั้นได้อ่าท่านี้ว่าเมื่องามันไม่เอางาไว้ก่อนสิขั้วทั่วก่อนทั่วสุกแล้วเอางาใส่พอดีเลย ทนี้เมื่อเราพิจารณาร่างกานี้จบร่างกานี้แจ้งกา ม, มาลาคะก็สิ้นไปสิ้นไปหมดเลยนะไม่มีเหลือแล้วก็ไม่หวนกลับด้วยจิตเราพร้อมกับความเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวไม่มีการไปไม่มีการมาแล้วตาหูจมูกและก า, ายใจปิดหมดเลยเมื่อบุคคลนั้นเห็นตัวเองแจ้งอย่างนั้นญานณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้ก็คือการเห็นแจ้งนั่นเอง ทำให้เรารู้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายของเราเต็มไปได้วยสิ่งปฏิกูลนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรดีไม่มีการสันไหลมีแต่ของเน่าเหม็นที่คนเขานี่หมกอยู่แต่ผู้รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วสลัดไปเหมือนกับของที่เป็นของที่สปกปรกเมื่อบุคคลนั้นเห็นด้วยสติปัญญาด้วยการทำความเพียรมา ย่อมทำลายกามให้เสียสิ้นพร้อมกับจิตนั้นดับแล้วซึ่งอกุศลแล้วก็กามก็สิ้นไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยตาหูที่มีอยู่ก็เป็นอันว่าจิตก็ไม่ล้วไหลแล้วก็เมื่อพิจารณาตัวให้เห็นแจ้งขึ้นมาเนี่ยความเห็นตัวเองขึ้นแจ้งขึ้นมานั้นเป็นเครื่องอยู่ของเราตลอด ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องอยู่เลยการเห็นตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เอาความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตลอดนี้ทำให้ตัวเองเนี่ยจิตของตัวเองไม่มีอยู่ภายนอกเลยเมื่อจิตนั้นมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็เห็นความเห็นตัวเองสว่างสวายอยู่ความเห็นความสว่างนั้นเ็าเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนั้นเนี่ยก็คือการเห็นแจ้ง เขาเรียกว่ า, ายานได้เกิดขึ้นแล้วจกขูได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งจะทำลายความมืดให้สิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นขอบฟ้าย่อมทำลายความมืดไปฉะนั้นย่อมเห็นรู้ตาม ร, รู้เห็นตามเป็นจริงว่าตัวเราทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นขัน ห้าเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อตัวไม่เที่ยงโลกไม่เที่ยงก็ไม่ควรเจ้าจิตไว้ตรงไหนจิตนั้นก็เห็นตัวเองอย่างเดียวทําให้จิตเราที่เห็นคนอื่นอยู่เสมอเสมอเมื่อก่อนนึกคนอื่นแล้วเห็นภาพขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าสุภนิมิตนั้นศูนย์พันไปเลยจะไม่มีเลยเขาเรียกว่าจะไม่มีในในในชีวิตนั้นต่อไปเลย เวลาเราคิดถึงหญิงหญิงคิดถึงชายแล้วก็เป็นภาพขึ้นมาธรรมชาตินั้นจะไม่มีนะที่แรกเราดำริออกก่อนดำริออกดำริออกต่อไปเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งปุ๊บเนี่ยตัวนั้นจะไม่มีเลยฉะนั้นตลอดชีวิตของคนนั้นจะไม่นึกถึงใครเลยแม้แต่คนคนนั้นจะอยู่เฉพาะหน้าก็ตามแล้วก็ไม่คิดถึงอะไรลยในโลกนี้เลยจะต้องไม่ตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของโลกนี้เลยเขาเรียกว่าวิญญาณดับ วิญญาณวิญญาณทิฏฐิหรือการตั้งอยู่ของวิญญาณเนี่ยไม่มีการไม่ตั้งอยู่วิญญาณไม่มีหรือวิญญาณทิฏฐินี่ไม่มีการอย่างสุขันย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณหกดันดับพบชาติจะสิ้นไปชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเราสามารถที่จะพลิกผันชีวิตของคนเราจิตของคนเหล่านี้ ผิดจากระบบเดิมทั้งหมดระบบใดที่เป็นโลกระบบนั้นเราจะไม่ไปเราจะไม่อยู่แล้วจะตั้งเราจะไม่ตั้งไว้แล้วเราจะทำลายระบบของโลกทั้งหมดเช่นว่าโลกทุกคนเนี่ยความเป็นโลกของทุกคนเนี่ยวันวันหนึ่งปล่อยจิตคิดไปและคิดถึงโน้นคิดถึงนี่ตลอดเวลาสุภาิมิตนี่เต็มไปหมดแต่คนนี้ไม่มีคนโลกเขาเนี่ยเขาได้ร่างกายนี้มาแต่เราเบื่อร่างกายนี้แต่เขารักร่างกาย คนโลกนี้เขาให้จิตใจมาให้กิเลสมาให้คิดไปตามนั้นโดยการาวิ่งไปตามกิเลสอย่างที่บอกว่าการมธาตุการ ม, มสัญญากามสังกัปปะแต่เราไม่เอาทางเส้นนั้นเขากำหนดให้เราเดินมีตัวให้มาเราให้เบื่อซะมีตาให้มาใช้เราเลิกใช้ซะมีจิตให้เราคิดถึงคนอื่นเราไม่คิดคะคิดถึงตัวเองซะ กลายเป็นว่าเรานิยอนสอนหมดเลยเพราะเบอกแล้วว่าสิ่งใดที่โลกให้ทำสิ่งนั้นเป็นของเป็นของโลกเป็นเครื่องอ่เป็นเครื่องสัญจรของโลกสิ่งใดที่โลกไม่สอนเราจะเดินทางเส้นนั้นแต่ผู้เจ้าสอนพระุธองค์ทรงกล่าวว่าอ่าอะไรคือโลค อะไรคือความสัญจรของโลกความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกความวิตกวิจาร์เป็นเครื่องสาบเป็นเครื่องสัญจรของโลกความเพลินเป็นเครื่องชาบทาของโลกคือความจริงแล้วคือความคิดของคนเราเนี่ยเป็นเครื่อง สัญจรสัญจรของโลกเราจะเห็นไหมจิตคิดไปโน่นคิดไปนี่นั่นคือทางเทีย่ยวทางที่โคจรทางที่สัญจร น, นั่นคือความโลกโลกนี้มีอะไรเป็นเครื่องสัญจรความตรึกความวิตกวิจารเป็นเครื่องสัญจรของโลกโลก น, นี้เป็นอะไรเป็นเครื่องประกบไว้นั่นที่คือความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้มีความ ไม่รู้เป็นข่ายกลางกัน้นคือมีวิชาเป็น อ, ว, น อ, ว, อวิชาเป็นมีอวิชาเป็นเป็นสิ่งกลางกัน้นเราจึงรู้ความเป็นโลกโดยความเป็นโลกแล้ววางโลกไว้ซะแล้วเราจะพ้นโลกฉะนั้นการที่เราจะพ้นโลกก็คือพ้นด้วยวิธีดำริจิตออกจากโลกเลยดำริออกจากอะไรก่อนออกจากกามก่อนเพราะกามเป็นของโลกนี้ โลกนี้เป็นกามมาภพเราเองก็เกิดมาเดกาล ม, มาภพนั่นเองก็ดำลิออกจากกามนี่เองการดำลินี้จะดำลิตั้งแต่บัดนี้ขึ้นไปจนกว่าเราจะพ้นนั่นคือการแหวกวงล้อมของโลกนี้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความเป็นโลกฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคำถามมากมายเกี่ยวกับโลกนี้อยู่เสมอซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคนมีปัญญามาก ช่างรู้ช่างคิดช่างมองอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าอาชิตะมโนพุทุนถามปญหาพระพุทธเจ้า ว, ว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดในที่มืดโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชาปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดในที่มืด โลกคือหมูสัตว์อันอวิชาคือความไม่รู้นะไม่รู้จากอะไไม่รู้จะทางออกจากกา ร, รมไม่รู้ความเกิดความดับนี่เองไม่รู้จะทางหนีนี่เองทางออกนี่เองอโลกคือหมูสัตว์อันอวิชาปิดบังเอาไว้จึงหลงลุดในที่มืดเพราะอะไรเป็นเหตุหมูสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏเพราะมีความเพิดเพลิน ตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลินเพลินยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องฉาบทาไว้ย่อมไม่เห็นปรากฏกามทั้งหลายที่ครอบงำจิตใจของคนเหล่านั้นเด็ดฉาบทาให้เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพลินเพลินเพลิดเพลินไปในกรรมทั้งคูมกุณทั้งหลายเป็นเครื่องประกอบไว้จึงย่อมไม่เห็นการเป็นปรากฏความปรากฏนี้ ไม่เห็นความไม่เห็นทางออกนั่นเองไม่เห็นทางออกนั่นเองอาอธิตะมโน ก, ก็ทุนถามพระเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้พระเจ้า ก, ก็ตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชาปิดบังเอาไว้จึงหลงดูดในที่มืดแล้วก็อธิตะก็ทูลถามอีกว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุฉัตวทั้งหลายย่อมไม่ย่อมไม่เห็นปรากฏความตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลินเพลินยิ่งในอารมณ์เหล่านั้น เป็นเครื่องฉาบทาเอาไว้จึงย่อมไม่เห็นความเป็นปรากฏแล้วก็อชิษฐานมนุกขทุนถามว่าจิตของเราหลั่งไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุดกระแสแม่น้ําอันสายใหญ่กระแสน้ําเหล่านั้นอะไรหนอเป็นดุดทำนบแล้วกระแสนั้นละด้วยทำอะไรเราเห็นไหมว่าใจของเราไหลไปสู่กามเนี่ย เหมือนกระแสน้ําอันใหญ่อะไรหนอเป็นดุลทำนบที่กั้นกระแสนั้นและธรรมนั้นและกระแสเหล่านั้นจะละด้วยธรรมอะไรพระองค์ก็ทรงตอบว่าสตินั่นแหละเป็นดุลทำนบกระแสนั้นจะละด้วยปัญญาไม่เห็นว่าละด้วยสมาธิเลยเช่นว่าจิตเราคิดถึงผู้หญิงหญิงที่คิดถึงชายชายคิดถึงหญิงอสติกั้นไว้อย่าให้ไปนั่นแหละดุลทำนบ แล้วก็น้อมจิตมาพิจารณาตัวให้ให้เห็นตัวไว้นั่นแหละละด้วยปัญญาคือปัญญามองเห็นอย่างนั้นก็ทำตามนั้นนั่นเนเขาเรียกว่าปัญญาชอบก็คือความเห็นชอบคือสัมมาทิฐินั่นเองทำไปทำไปทำไปก็ต้องดับดับได้จริงๆก็คือเห็นด้วยปัญญาดับด้วยปัญญาแต่สติเป็นดุลทำนบสติกั้นก่อนแต่ละด้วยปัญญา ไม่เห็นได้บอกว่าละสมาธิแล้วอชิตะมนต์กทูลถามว่าเมื่อบุคคลนั้นใช้สติและปัญญาระได้แล้วเนี่ยสติก็ดีปัญญาก็ดีนามลูกก็ดีดับหน้าที่ไหนถามยิ่งๆก้นไปนะดับหน้าที่ไหนพระุธองค์ก็ทรงตอบว่าวิญญาณดับไปก่อนนามลูกก็ดับหน้าที่นั้นหมายถึงว่าที่ที่จมาบอกว่า เวลาจิตเราพิจารณาร่างกายเราให้เห็นแจ้งแล้วก็อาศัยความแจ้งนั้นเห็นอยู่และเป็นเครื่องอยู่ของจิตให้จิตเราี่ถอดถอนตัวเองออกจากโลกนี้ซะเมื่อถอดถอนโลกอันนี้ปุ๊บตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลิกใช้เมื่อเลิกใช้วิญญาณทั้งหกก็ดับอย่างเด็ดที่ผู้องค์ทรงตอบว่าวิญญาณดับไปก่อนก็คือวิญญาณหกนี้เองดับเพราะจิตเราไม่ได้ส่งไปแล้วตาหูก็เท่ากับบับโมฆะไปก็เท่ากับว่า วิญญาณดับไปก่อนแล้วนามรูปก็ดับณที่นั้นหมายถึงว่าเมื่อคนนั้นทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นแหละจนตลอดชีวิตรอวันตายก็ถือนามรูปนันดับณที่นั้นเองหมายถึงคนนั้นก็ปิดหู ป, ปิดตามหมดจิตไม่รู้อะไรทั้งไหนแล้วก็รอวันตายนั่นเองนามรูปก็คือหมายถึงว่าทั้งรูปทั้งนามก็ดับที่วันตายนั่นเองจึงเป็นคาตอบนี้ออกมาว่า สติก็ดีปัญญาก็ดีนามรูปก็ดีดับณที่ไหนเมื่อสร้างสติมาสร้างปัญญามาแล้วดับแล้ว เ, เกิดแล้วละกามได้แล้วเนี่ยแล้วสตินี้กับปัญญาเหล่านี้แล้วก็นามรูปเรานี่จะดับณที่ไหนพระองค์ก็ทรงตอบว่าวิญญาณดับไปก่อนนามรูปก็ดับณที่นั้นซึ่งเมื่ออชิตะมนบทูลถามอย่างนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีเลยแต่เราเนี่ยต้องฝึกด้วยลําแข้งอะนะเราบุญน้อย ไม่ได้บัลเป็นประหลาดก็เนื่องจากท่านอบรมมาหลายชาติถ้าเราอบรมไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ใกล้หน่อยสิแล้วชาติใดาชาติหนึ่งอาจจะบรรลุก็ได้เราจะไปหักดิบเลยเนี่ยว่าจะให้เราบรรลุทีเดียวนั่งนี้นั่งในที่นี้นไม่ได้หรอกเรามันใจยังโศกปลกอยู่นะดำพูด <c oughs> ถึงใจดำเนี่ยเจ็บใจนักเนาะ ดำแล้วเกินชโชก็ปกแล้วเกินกจิตมันไม่ไม่ไม่สนใจนะว่าจะนุ่งเหลืองนุ่งขาวนะมันไม่สนใจเลยมันจะเป็นของมันอยู่ดังนั้นเลยไม่สนแม่เร็วลายจริงๆนะแต่เวลาดับได้นะสะใจนะว่าอืมสะใจดีสมน้ําหน้านะว่าเราทุกข์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วเกิดการกระทํา ซึ <SCP> ่งถ้าเกิดว่าสมาธิเราสังเกตไหมเวลาทําสมาธินะความคิดไม่ดีเนี่ยไม่ดับนะรู้บางคนก็บอกว่าเมื่อดับไม่ได้ก็ให้รู้มันสิคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ก็ดูมันไปดูมันไปแสดงว่ามันไม่ดับนั่นเองมันไม่หมดนั่นเองมันไม่หมดนั่นเองแสดงมันมีอยู่เลยมีอยู่เลยก็ดูมันไปอ๋อแค่ดูนั่นแหละเหรอแสดงพระอรหันต์ก็ต้องดูอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่พระรหันต์นั้นดับนะที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาทำได้แค่นั้นแต่เราพูดที่นี้บอกว่าดับไม่เหลือนะเพราะเราทำได้แค่นี้ทำต่างทำน่ะทำคนลที่กันน่ะทำไมเขาพูดอย่างนั้นเขาไม่ได้อบรมมรรคเขาก็พูดอย่างนั้นที่แต่ทำไมเราพูดว่าดับไม่เหลือไม่มีเลยไม่มีสักนิดเลยใจสะอาดมากกามก็ไม่มีอากสรก็ไม่มีเพราะเราทาอิย่ยมรรคเห็นไหมทาอยมรรคก็ไม่ทาน่ะดีหรือเปล่าล่ะ ต่างกันไม่ล่ะทำไมต่างกันเพราะคนทำต่างกันผลก็ต่างกันสิปลูกไม้คนละต้นกันผลละพันกันออ ก, ออ ก, ออกผลก็ต่างกันสิฉะนั้นสมาธิใด ไ, ไม่ได้มาผ่านการอิยอบรมอิยมักเนี่ยไม่ได้ใจมันดำมันสกปกมันไปไม่ได้นิพานไม่รับไม่รับหรอกคิดมัวมัวอย่างนั้นไม่รับหรอก อยากเอาออกไหมล่ะแตมาไม่ปิดบังวิชาเลยนะเนี่ยให้หมดเลยนะอยากให้แต่ปฏิบัตินะมันได้ปฏิบัติไม่ได้นะไม่มีกำมือเลยแบ่มือให้หมดมีความลับเลยบอกให้หมดอยากให้คนไปนิพพานกันคนบอกว่า อ, อาจารย์สอนผิดแล้ว ผิดก็ไม่ว่าไม่ผิดลองทําดูก่อนสิบางคนว่ากินยาผิดแล้วอกินดูก่อนสิมันหายหรือเปล่าล่ะแล้วมันหายแล้วจะว่าไงอะ่ะเออเอ า, เอ า, เ, อาเอาสิอาจจะผิดจากคนอื่นบ้างนะเพราะคนอื่นไม่สอดไงแต่ว่าทําลองดูสิอา้าวลองดูสิไันนันเราก็จนอยู่แล้วนี่นั่นแล้วก็ตันอยู่แล้วเนี่ยมันรู้จะทางไปมันรู้จะไปทางไหนอยู่แล้วนี่ไม่ลองทําบ้างสิฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องทดลองทํานะแต่รับรองนะ รับรองได้แน่ว่ารับรองคุณภาพเลยว่าทําแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆอถ้าไม่เป็นอย่างนี้มาคุยกันได้นะมาคุยกันได้เะฉะนั้นไม่กล้าพูดหรอกถ้าของไม่ดีไม่กล้าพูดเดี๋ยวเกิดว่าคนอื่นทํามามันละไม่ได้เดี๋ยวจะเราจะเสียเราก็กลายเป็นคนโกหกโลกไม่ได้ต้องต้องพูดในสิ่งที่เป็นไปได้นะเป็นไปได้จริง เชื่อไหมว่าเราไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงตัวเองเสมอเนี่ยลองดูสิกามไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยถึงจะนอนทับกันก็นแล้วแต่ไม่เกิดเลยมีไม่ได้จิตมันไม่ไปเอาเถิดเหมือนคนที่ตายนะหญิงกับชายตายแล้วก็กองมารวมกองกนะัน่ะไม่เห็นมันคิดอะไรเลยว่าจิตมันไม่มีมันกายกองกันอยู่นั้นแหละไม่เห็นมั น, ม, นมันมีอะไรกันแต่จิตเข้าไปน้นมันได้เรื่องเลยที่นี้ได้เรื่องเลย จิตนั่นเองตัวลายถ้าเกิดว่าเราอบรมได้เนี่ยจบเลยเหมือนคนตายแล้วนั่นแหละไม่มีอะไรเลยแล้วก็หมดแล้วไม่มีการหัวกลับนะแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเดีย๋ยที่เราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดวันคนนั้นเป็นได้อย่างนั้นนะคาพูดที่พระาราหันทว่าความสุขของเด็กขมมะเนี่ยที่ดับกามได้เนี่ยเป็นความสุขที่สุดกามนี้ไม่ถึงหนึ่งเซี่ยวของสิบหกเลย เราจะรับประจักษ์ได้ในใจเราว่าโอ้อยังนั้นจริงๆมันสุกอันนี้มันสุกทั้งวันทั้งคืนทั้งวันก็้งคืนทั้งทั้งปีทั้งชาติเลยนะสุกด้วยความจิตที่ไม่อิงอาศัยอะไรเลยความอิสระภาพของจิตนั่นเป็นความสุขที่เหนือกามจริงๆเมื่อก่อนเราก็ได้ยินวจะขนาดนั้นเฉลยเพราะเรายังไม่ถึงแต่เมื่อถึงได้เนี่นนะต่อ ร, รู้เลยว่าสุดยอดคําพูดคํานี้จริงจริ ง, รงไม่ใช่คําพูดที่หลอกหอก คือทุกอย่างต้องพิสูจน์นะถ้ากิทำสอนพุทธเจ้าถ้าเกิดว่าเราไม่พิสูจน์แล้วเนี่ยเราก็เข้าใจท่านไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ทำนะเกิดต่อไปไม่เจอคำสอนเป็นไงใครจะมาสอนเราเราขนาดเราเจอคำสอนแล้วนะยังเข้าใจไม่ได้จิตเรานี่แก้ไขไม่ตกเนะ่ะเพราะว่าสิ่งที่ที่แก้ตรงนี้ไม่ใช่คนจะรู้ง่ายนะ ไม่ใช่คนจะรู้ง่ายนะทางออกนี่นะลองดูเถิดเราเราศึกษามาเยอะแล้วนี่หลายสำนักนั่นนี่ออกหรือเปล่าล่ะไหนดีๆก็ไปหมดแล้วนี่มันหมดหรือเปล่าล่ะลองดูได้เลยแต่ถ้ามาสอนรับรองนะรับรองด้วยว่าทำแล้วถ้าไม่มีผลมาคุยกันคือไม่กล้าหรอกพี่สอนอะไรที่ว่าไม่มีผลไม่กล้าไม่กล้าสอน ใครจะบอกว่าผิดก็ช่างเถอะแต่ขอขอดูผลแล้วกันผลงานที่ออกมากคือผลการกระทาออกมาก็แล้วกันก็ <c oughs> คนไม่มีไม่มีจิตไปเนี่ยตัวมันจะไปได้ยังไงถ้าเป็นนักบวชนะเป็นพระนะจะสึกได้ไงอะ่ะใจยังไม่คิดเลยใจมันยังไม่ไปจะสึกได้ยังไงที่สึกสึกเพราะอะไรอะ่ะใจไปใจคิดถึงใครอะ่ะ ไม่ต้องตอบก็ได้เนาะมันแค่นั้นเองอะ่ะเรื่องมันอยู่แค่นั้นใจไปในเองตัวมันไได้ไปและใจไม่ไปตัวมันจะไปได้อย่างไรนั้นเป็นไ ป, นปนไม่ได้เลยคนที่จะศึกษาละเพศเป็นไ ป, นปนไม่ได้ถ้าจิตไม่รู้อะไรเลยนะไม่ได้เลยตายคือตายใจยังไม่ไปตัวจะไปมันมีได้อย่างไรเป็นไ ป, นปนไม่ได้ฉะนั้นก็เหมือนกับว่า อะไรที่โลกที่เขาทำยากที่สุดเนี่ยถ้าเกิดสิ่งนั้นเราทำได้นะเหมือนกับว่าภูมิใจนะว่าแม่ภูมิใจในความสามารถนะว่าเราก็คนหนึ่งที่ความสามารถในบรรดาความสามารถทั้งหมดที่ในโลกนี่มีอยู่มันเหมือนกับว่าคุณค่ามนุษย์ก็มีอยู่ตรงนี้เองนะไม่งั้นเราไหลไปตามกระแสแน่นอน เมื่อไปอย่างนั้นพิจารณาตัวนี้จบลงไปเห็นตัวเราแจ้งเนี่ยการ ม, มาาคะก็หมดแล้วความคิดไม่ดีก็ดับสิ้นตาหูไม่มีความหมายไม่มีรู้อะไรตาก็ลืมหูก็มีนะแต่จิตไม่ได้ออกเห็นอะไรไหมก็เห็นเห็นตาเปล่าๆแต่จิตไม่ได้ร่วมไปหูเปล่าๆไปเขาเรียกว่าวิญญาณหกมันดับฉันั้นพระอหันต์จะไม่มีวิญญาณห ที่คําตอบที่พระเจ้าที่ที่ได้ตอบให้ฟังว่าวิญญาณดับไปก่อนนาลูกก็ดับณที่นั้นอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเราเนี่ยมันมันเขาเรียกอัจฉริยะนะว่ามีตาแต่จิตไม่รั่วมีหูมีตาไม่มีการไปมันคนทำได้ไงแล้วสติของที่เขาอบรมเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่อยู่แล้ว สติจะมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่มีเผลอเลยการเผลอของติตสติไม่มีเลยนะจิตนี่เป็นหนึ่งเดียวแล้วการเผลอของจิตไม่สตินั้นไม่มีเลยเป็นอัตโนมัติไม่ต้องกําหนดเพราะเขาจะเดินเครื่องของเขาเองคนที่เป็นเช่นนี้เพราะฝึกมามากมายการฝึกฝนตรงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นความฝึกฝนอย่างมากมายกายกองจนความชํานิชํานาญเกิดขึ้น เราคิดวิทีว่าฝึกจนที่ไม่มีเพอแล้วไม่มีเพอจันวันต่ยี่สิสี่ชั่วโมงนีไม่มีเพอเลยนะนิดเดียวก็ไม่มีนะวิหนึ่งก็ไม่มีนะซึ่งไม่ได้ตั้งสตินะสติมันจะเป็นเอง<ม>โยมลองคิดดูซิว่าเขาจะทำความเพียรขนาดไหนถึงมีผลเช่นนี้ออกมาคนนั้นก็สุดยอดของการทำกันแล้วกันฉะนั้นถ้าเราเป็นนั่งตำแหน่งว่าสุดยอดของคนเนี่ยเราภูมิใจไหล่ะ มใจในเมื่อมนุษย์ทำอะไรยากมันท้าทายนะดูเหมือนท้าทายว่าเขาทำได้เราก็ทำได้มันเหมือนกับเรามีมีมีความอุตสาหะได้คนนั้นก็จะเป็นผู้มีบา ร, รมีสูงสุดในเมื่อเราเกิดมาไม่เปลี่ยนคุณภาพของชีวิตเราก็ไร้ค่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วในการมาลาคะนี้ก็สิ้นไปสิ้นไป หลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาก็ตัวเราก็จบก็หมายถึงว่าการพิจารณาตัวเราก็จบไปการพิจารณาตัวเราจบไม่ไม่ได้พิจารณาอะไรแล้วเพราะว่ากามสิ้นไปอากโซนก็สิ้นไปไม่มีแล้วการพิจารณาตัวก็จบแล้วเราก็เอาสมาธิที่บอกว่าอยากได้อยากได้นะมาทําสิ ตอนนี้ถั่วมันสุกแล้วนะงาเอามาเทิดามาใส่สัทีไหนอยากจะได้งาอยู่นั่นแหละไหนได้อยากได้สมาธิอยู่นั้นที น, นี้เวลาทำสมาธิไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะอารมณ์ไม่มีเลยอารมณ์ที่มันอารมณ์นี่เป็นอุปสรรคที่เราทำสมาธิไม่ได้ตลอดเวลาเมื่อก่อนเราทำสมาธิไม่ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเยอะเหมือนเรียกว่าจุด เหมือนก็เราจุดเทียนท่ามกลางสายลมเหมือนลมมาอย่างเนี้ยเราเทียนเราก็เล่มเล็กไฟเราก็ดวงน้อยแถมลมก็แรงเราจุดยากประคับประคองจัดยากเราก็ยังทุลังที่จะจุดแล้วก็ประคับประคองเทียนนั้นต่อไปแต่บัดนี้เนี่ยอารมณ์เหล่านั้นน่ก็มาจากกามอารมณ์เหล่านั้นก็มาจากกามมาจากอากุศลนี่เอง แต่บัดนี้เนี่ยกามก็ไม่มีอากุศลก็ไม่มีลมก็เงียบเลยไม่มีลมเลยอารมณ์ของคนนั้นเนี่ยเมื่อสิ้นกามและสิ้นอกุศลเขาจะไม่มีอารมณ์เลยเลยชีวิตมีความหนึ่งเดียวชีวิตในในใ น, ในชีวิตตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะทําสมาธิขึ้นมาเนี่ยโยมว่ายากไหมล่ะขนาดไม่ทำนะจิตยังไม่ไปไหนเลยอะ่ะหนึ่งเดียว แล้วทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันจะยากไหมอา้าวบางคนก็บอกอ้าวหนึ่งเดียวนันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะทําทำจะทำยังไงเออ ย, ยังทาสมาธิอีกเหรอ ส, สมาธิมันมีสองอย่างอย่างที่เราเห็นตัวแล้วเห็นลัทธกรรมลายการไปได้นั้ น, นอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิอ น, นิมิตะสมาธิหรือญาณทัศนะอันเดียวกัน เพราะจะว่าสมาธิก็คือตัวเห็นแจ้งรู้แจ้งจะว่าสมาธิก็ได้จะว่าญาณทัศนะก็ได้จะว่าเป็นปัญญาก็ได้จะว่าเป็นสติก็ได้แต่ถ้าเรียกงเรียกถึงความโดยเป็นสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าอนิมิตสมาธิอนิมิตอนิมิตอะแปลว่าไม่นิมิตแปลว่าเครื่องหมายสมาธิแปลว่าสมาธิที่ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีเครื่องหมายอย่างที่บอกว่าจิตเราคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงปุ๊บเนี่ยเป็นสุภาพนิมิตใช่ไหมล่ะเป็นสุภาพนิมิตขึ้นมาแล้วก็การมราคะนี่เกิดขึ้นเมื่อทําลายการปุ๊บเนี่ยสุภาพนิมิตนั้นมันมันไม่มีแล้วดับแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาแทนสมาธิที่ไม่มีอสุภไม่มีสุภาพนิมิตนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอนิมิตตาสมาธิ สมาธินั้นมีอยู่แล้วก็คือการดับกาอมอนิมิตตสมาธินี้มีอยู่แล้วแต่ว่าสมาธินี้เราทำบริบูรณ์แล้วคืออา น, นิมิตสมาธิอนิมิตตวิโมกเป็นศูญญ์ะตาวิโมกก็ได้เขาเรียกว่าศูญญตาลมก็ได้ แต่ว่าที่เราจะทำสมาธิใหม่ขึ้นมาบอกว่าให้ทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อนิมิตะสมาธิเขาเรียกอะไร เ, เขาเรียกว่าฌานตแต่ที่เราทำมาพิจารณาร่างกายให้ให้ให้ใหใหกามำในสิ้นไปเขาเรียกว่าวาดยานยา น, ยานก็ได้อนิมิตะสมาธิก็ได้ตแต่ที่เรายังไม่เราจะทำสมาธิต่อไปนี่เขาเรียกว่าฌาน ฉะนั้นสมาธิมีสองอย่างแต่บุคคลที่อบรมียมักเนี่ยได้ทั้งสองอย่างเลยเหมือนบุคคลมีสองมือน่มันได้เปรียบแต่เมื่อก่อนเราทำสมาธิฌานอย่างเดียวที่แรกเราทำฌานใช่ไหมออกมากามันมีอยู่มันไม่หมดก็กลายเป็นฌานโลกีไปแล้วก็บอกว่าสมาธินั้นไว้ก่อนนะที่ว่าดิ่งเข้าไปในสมาธิลึกๆเนะ่ยตัวแข็งลมหายใจหมดอันนั้นเนะ่เขาเรียกว่าฌาน ที่แรกทำแล้วมันดับกามไม่ได้ก็เลยวางไว้ก่อนแล้วก็มาทำลายกามก่อนด้วยอัยมะแล้วก็ทำสมาธิฌานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งที่ว่าจะทำทาสมาธินี่ก็คือฌานนี่เองแต่อ น, นิมิตสมาธินั้นเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องทำเพราะทำมาก็คือวามสิ้นกามนั้นคือกามนั้นก็กลายเป็นนิิสมาธิที่ไม่มีนิมิตน่ะไม่มีการคิดถึงคนอื่นนั่นเองก็เลยว่า เขาชื่อว่าอนิมิตตสมาธิก็เลยว่าสมาธิที่ตั้งขึ้นโดยที่ไม่มีภาพคนอื่นก็คือไม่มีนิมิตเขาเรียกว่าอนิมิตตาสมาธิอันนั้นบริบูรณ์แล้วแต่สมาธิฌานเนี่ยเรายังไม่ทําทําที่แรกมันไปไม่รอดไงก็เลยวางไว้ก่อนแล้วก็เอาสมาธิแล้วแล้วก็วางก่อนแล้วก็มาอบรมเรืเออเร่องอริยมรรคเรื่องกามนี้ให้สิ้นไป หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาอบรมฌานอีกทีหนึ่งที่เคยบอกว่าอาตมาเนี่ยสอนคนเนี่ยไม่ไม่เอาสมาธิไม่จริงนี่ไงกำลังจะเอานี่ไงแต่ที่แรกนะเอามันไปไม่รอดหวางก่อนแล้วก็มาอบรมเรื่องกามนี้ให้หมดก่อนแล้วตอนนี้จะเอาอที่บอกว่าถอนไม่เอาสมาธิไม่เอาพูดถ่ายเดียวไม่ได้บอกว่าบางการเราไม่ให้เอาบางการเราให้เอาดีกว่า สรุปแล้วเราให้เอาทั้งหมดนั่นแหละถ้าพูดอย่างนี้ถึงจะถูกนะถ้าพูดบอกไม่เอาสมาธินี้ถือว่าพูดไม่ถูกฉะนั้นเมื่อบุคคลนั้นสงัดจากการมสงัดจากอกุศลแลธรรมทั้งหลายยังปฐมมชานให้เกิดคือฌานเบื้องต้นก็คือปฐมมชานทุตียาาตะฌานตติยะฌานจนถึงจตุทะฌานส่วนมากเขาก็จะทําที่ให้ทานสี่นะเรื่องอารมูปฌานนะั้นไป ท, ทําทีหลังเพราะฌานสี่นี่เอง สามารถที่จะน้อมไปทางวิชาสามได้เมื่อทำโดยความชนิชํำนานแล้วเนี่ยก็น้อมจิตไปลักษณะที่ระลึกชาติได้ว่าตัวร่างนี้เนี่ยเราปัจจุบันนี้เราเห็นด้วยเองแล้วแจ้งแล้วร่างนี้แต่เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างด้วยอานาจของชานั่นเองสามารถที่จะระลึกชาติได้มากมาย นี่ยังไงใครอยากได้ฤทธิ์อยากได้อยากได้ฤทธิ์อยากได้ฤทธิ์มาได้ตรงนี้นะฉะนั้นบางคนบอกว่าสอนหลวงพ่อสอนนี่ไ ม, ไม่ไม่มีฤทธิ์ตัวเลยมีมากเลยไม่ใช่น้อยๆเรายังไม่ถึงเวลานะเราจะไปก้าวกระโดดตรงนี้มันไม่ได้ได้มันไม่ได้หรอกเราต้องออกกามออกกอดไอ้กามนั่นเนี่ยมันทําให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีไม่เป็นมันหนักมันดํามันชซกโปลก น, นี่มันใสสะอาดแล้วนี่ท่านเปรียบเหมือนว่าดินที่นวดดีแล้วเนี่ยสามารถจะปั้นอะไรก็ได้อ่าดินที่นวดสมัยก่อนเขาปั้นหม้อปั้นอะไรดินที่เขาจะมาปั้นเนี่ยนวดอย่างดีคือกันกองอย่างดีไม่มีเม็ดไม่มีอะไรเลยมีแต่ดินที่เนื้อละเอียดมากท่านเปรียบเหมือนสมาธิเนี่ยจิตที่อบรมมาปัดจากกามปัดจากจากอกุศลแล้วเนี่ยจิตนั้นจะเป็นจิตบริสุทธิ์มาก ฉะนั้นถึงได้มีฤทธิ์มากก็คือสามารถเจริลึกชาติได้มากมายกายกองสมัยพุทธกาลนะสามารถมีพิสษุองค์หนึ่งสามารถระลึกชาติได้คืนเดียวในห้าร้อยกับกับกับหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่พันกี่พันล้านปีนะกี่ร้อยกี่ล้านพันปีไม่รู้แค่กับเดียวนะเป็นล้านล้านล้านล้านปีหลายล้านปีไม่รู้กี่ล้านล้านปี และนี่ห้าร้อยกับเนี่ยมันชักกี่ปีคือนับปีไม่ได้กลับหก็นับปีไม่ได้แล้วเขเรียกว่ามันนับปีไม่ได้มันมากจัดมันประเมินไม่ได้ถ้าว่าล้านล้านก็นยังน้อยอยู่นะแต่ทําไมลึกชาติและลึกชาติได้คืนเดียวเนี่ยห้าร้อกับความไวมากมายนะให้สปีดเนาะไม่น่าเชื่อว่า ความเร็วของจิตเนี่ยคิดได้ถึงขนาดนั้นระลึกได้ขนาดนั้นไม่ใช่ว่าระลึกได้ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่ใช่นะเหมือนเราไปเราไปอัดซีดีนะอัดปื๊ดเดี๋ยวนะัไม่กี่นาทีนะแต่เราฟังทั้งวันนะ่ะยังไม่หมดเลยแบบนั้นข้อมูลที่มันจุไปนะ่ะมันเยอะมากแต่ปื๊ดเดี๋ยวรู้หมดเลยแสดงว่ายิ่งกว่าคอมพิวเตอร์นะความจริงก็เป็นวิทยาศาสตร์อันนึงนะ น่าศึกษามากเรื่องจิตแถมเอากิเลสก็ออกด้วยเอากามก็ออกด้วยยังมีเทคโนโลยีให้เราเห็นเห็นอีกหน่อยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นนี้ใช้จิตเราหมดเลยแล้วสามารถที่จะลึกชาติได้มากมายเหมือนกับว่ามันอยู่ในตู้อ่ตู้ตู้เอกสารตู้ข้อมูลเก็บไว้หมดเลยไม่รู้กี่ชาติเราแค่คลิกไปดูเท่านั้นเองเราคียเขาไปได้เพราะกิเลสกามเรามันเยอะขวางอยู่ มันก็เลยคิดข้อมูลไม่ได้ทีนี้เมื่อบุคคล น, นั้นกิจสะอาดนสามารถจะทําอะไรก็ได้ <c oughs> สามารถระลึกชาติได้มากมายถึงป่านนั้นแล้วก็เห็นผู้อื่นด้วยตาตาทิพย์เนี่ยคนอื่นเกิดเกิดตตายก็เหมือนเราเหมือนเราเราและผู้อื่นก็เกิดตายท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้เหมือนกัน <S <S เขาเรียกว่าเห็นด้วยทิพย์จกักรคู หลังจากนั้นแล้วก็รวบรวมสติปัญญาว่าพอกันทีโลกนี้การมากามาคุณทั้งนั้นที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วกิเลสน้อยใหญ่ก็มาจากการ ม, มคุณห้านี่เองการนี่เองก็เลยว่าเบื่อหน่ายก็หลุดพ้นไปก็เรียกว่าอาสวะขยายานหลังจากพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยสามารถจะมีอภิญญามาก ฉะนั้นผ้าที่หรือบุคคลแบงนี้เนี่ยเยอะโดยการผ่านยมรักเนี่ยจะมีอภิญญามากที่สุดส่วนมากเราอยากจะได้อภิญญากันแต่ไม่รู้จากเหตุการกระทำหมูไม่รู้จักเหตุเบื้องต้นของการกระทำมันจะได้ยังไงเราไม่เอากามออกมันจะได้อย่างไ ร, ร, ไ ม, าารออมันห น, นักมันหนักมันไม่เบา คนที่มีอภิญญานี่สามารถที่จะท่องเที่ยวไปตั้งแต่นู้นน่ะหมเลยในมุลุกีพบกี่ชาติแล้วก็พบภูมิต่างๆไปได้หมดเลยตั้งแต่นรกถึงพมะโลกสามารถจะเอากายเนื้อหนังๆของเราเนี้ยไปถึงพมะโลกไปถึงนรกได้เดี๋ยวว่าแต่เอาจิตไปนะเนื้อหนังเราก็ไปได้ไม่ต้องใช้ยานพาณะอื่นเลยไปแค่เขาเรียกว่า คู่แขนเข้ากับคู่แขนออกแป๊บเดียวเนี่ยความเร็วขาดันนั้น บ, บุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าความเร็วแค่นั้นก็ถึงแล้วเร็วไห่ล่ะปึ๊บปั๊บถึงเลยก็เรียกว่าไปไวยังกระจิตสามารถจะไปถึงพรมโลกด้วยกายเนือนี่ซึ่งซึ่งวิทยาศาสตร์ก็ทำไม่ได้นะ ฉะนั้นที่ที่การฝึกของเราเนี่ยฝึกมาตามลำดับเนี่ยสุดท้ายเราจะได้อย่างนี้หมดเลยเขาเรียกว่ามีเมื่อบรรลุพิชาสามได้ก็คือระลึกชาติตั ว, ต, ว, ต, วตัวเองได้ก็คือบุเพนิวาสานุสติยานจตูปะฏิยานอาสวะขยญยาณหลังจากนั้นก็จะมีของแถมก็คืออภิญญาหวิโมก8ปฏิสัมพิทาสี สามารถที่จะเข้าถึงว่าสามารถจะนั่งนิ่เข้านิโรธสมาบัติได้แล้วก็สามารถที่จะมีความแตกฉานบรรดาการกระทำทั้งหมดเนี่ยอย่างละเอียดละ อ, อ่อไม่ละเอียดได้ไงฝึกมาทั้งหมดนะทุกอย่างอยู่ในสายตาหมดนะจะไม่รู้เห็นได้ยังไงคนนั้นก็แตกฉานแตกฉานสี่อย่างเขาเรียกปฏิสัมพิทาสี่หนึ่งเวลาสอนคนเนี่ยเขาเรียกหนึ่งแตกฉานท้ง อัฏฐะน่ยอัฏฐะแปลว่าข้ออัดข้อทรมันเนี่แตกฉานในอัดสองแตกฉานในธรรมมแตกฉานในนิรุตติแปลว่าภาษาภาษาที่ใช้พูด 4. ปฏิพานแตกฉานในปฏิพานคือไหวพิบเฉลียวฉลาดพ้องแก้ว่องไหวรวดเร็วอย่างวิจิตพิษดาลได้ดีคือปัญญาฉับไวไหวไหวพิบปฏิพานดี เขาเรียกว่าสอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิสัมพิทาสีครบเครื่องเลยทุกอย่างอยู่ในบุคคล น, นี้คนเดียวฉะนั้นทางเส้นนี้จึงเป็นทางสายใหญ่อันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการพ้นทุกเนี่ยเราจะไปด้วยวิธีนี้ถ้าเราทำสมาธิอย่างที่เราทำกันถามว่าถูกไม่มันถูกแต่ว่ามัน มันนิดเดียวมันเบื้องต้นมันจะมีสูงกว่านั้นเราจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมอทาไปทำมาก็วนไปวนมาอยู่ที่เดิมนั้นสมาธิที่เราทำกันคือสมาธิโลกีนั้นมันไม่ไปถึงไหนหรกวนไปวนมาออกมาก็มีแต่การเข้าไปกั น, นิ่งอยู่ออกมาก็มีแต่การอย่างเดียวคิดโน่นคิดนี่มั่วมันไม่จบคนที่เขาปฏิบัติได้จริงๆรจิตเขาจะไม่มีรั่วเลยนะไม่ได้มีรั่วเลยแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าสมาธิเลย เข้าสมาธิก็ได้ไม่เข้าก็ได้จิตเขาก็ไม่มีร่องรอยอยู่ในโลกนี้เลยคือเราเนี่ยเข้าสมาธิสงบใช่ไหมออกมาไ ม, ไม่สงบแหละคือไม่เข้าสมาธิไม่ได้เลยจิตฟุ้งอยู่ตลอดแต่คนสลับคนพ้นทุกได้จริงๆไม่เข้าสมาธิเนี่ยเขาก็อยู่ได้จิตเขาไม่ได้ไปไหนมาไหนเข้าสมาธิเขาก็อยู่ได้ไปว่าเข้าก็สงบออกก็สงบคําว่าไม่สงบไม่มีเลยฉะนั้นคนนั้นเนี่ย คล้ายๆว่าจิตของเขาจะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยเพราะเขาดึงจิตกลับบทดมาอยู่ที่ตัวเราแล้วก็รักษาตัวนี้ไว้จนกว่าวันสุดท้ายคือวันตายจะอยู่กับตัวตั ว, ต ว, ตวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั้นจนกว่าวันตายวันตายก็คือขาดกับตรงนั้นคนนั้นก็จะเป็นชาติสุดท้ายล่ําลากันว่าพอกันทีเขาเรียกว่านามรูปก็ดับนะที่นั้นนั่นเองอันนี้ก็คือคําตอบสมัยพุทธกาล เข้าใจไหมกาล์มกาลเป็นเรื่องใหญ่น ะ, ะ ก, กาล์มจําได้ไหมว่ากามและกิเลสกาล์มและวัตถุกาล์มฉะนั้นหญิงก็ดีชายก็ดีเมื่อเอากิเลสกาล์มันออกซะความเป็นหญิงเป็นชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเพศนั้นนะก็เป็นเพศหญิงเพศชายอยู่แต่ใจที่ความเป็นหญิงเป็นชาย กระชากออกเสียแล้วคนคนนั้นก็เป็นหญิงเป็นชายเฉยๆเป็นแต่ล่างล่างเปลี่ยนไม่ได้แต่ใจไม่มีแล้วใจที่เป็นหญิงเป็นชายไม่มีแล้วแต่ใจมีบริสุทธิ์นันมีอยู่ที่ขาวสะอาดนั้นมีอยู่ดะนั้นถึงได้บอกว่าความหญิงชายไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดของหญิงชายนั้นเป็นกามของบุคคล ถ้าบุคคลนั้นกระชากความเป็นการามของตนเสียได้หญิงได้ชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจทำให้ได้เทศหลายครั้งไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเนาะวนไปวนมาก็ <c oughs> v era v era เหลือเวลาอีกสิบนาที น, นี่ก็แสดงทำเรื่องกลามนะเพื่อให้สาธุชนทั้งรู้ว่าการที่เราไม่เอากลามออกแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือว่าจิตเราจะหนึ่งเดียวถ้าเกิดว่าสมาธิใดหวังว่าเราจะให้จิตของเราในตั้งมั่นแต่ว่าเราไม่ได้กําจัดเรื่องกลามกลามนี้เนี่ย ถ้าเราไม่ออกแล้วเดียอย่าหวังเลยว่าสมาธิเราจะมีถึงมีก็ต้องเสื่อมอยู่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากามเป็นอคุศลฉะนั้นคนเราทีาเกิดว่าฝึกสมาธิไม่เป็นดังนี้แล้วเนี่ยไม่ได้อ่าเพราะว่าไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าหลักสูตรไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่อ่าต้องมีหลักสูตรหรือระบบที่ถูกต้องก็คืออายมัต ดังนั้นอิยามัครตรงนี้แหละจึงชื่อว่าทําให้เราสามารถที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคือสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยจะต่างตรงที่อิยามักนี่เองซึ่งอิยามัครตรงนี้เนี่ยจะไม่มีในศาสนาอื่นแต่สมาธิที่เราทำสมาธิที่เราทําอยู่ประจำเนี่ยสมาธินี้มีทั่วไป ไม่ใช่จะพุทธศาสนาอย่างเดียวเขาเรียกว่าสมาธิโล ก, กีไงที่เราฝึกกันก็คือมาเจอโล ก, กีแต่เราไปยืนอยู่ที่โล ก, กีตลอดแล้วมันจะเป็นสมาธิพุท ธ, ธะได้อย่างไรความเป็นพุท ธ, ธะนี้ก็คือกานที่เราเจริญอิยามัคนี่เองสัญลักษณ์ของความเป็นอิยมัครตรงนี้แหละจึงเกิดความเป็นพุท ธ, ธะขึ้นมาตอนที่พุทธองค์ทรงจะปรินิพานเนี่ย สุพทธะปริภาชกได้ทูลถามปัญหาผู้เจ้าว่าการที่จะพ้นทุกเนี่ยจะพ้นแบบไหนพุทธองค์ก็ทรงกล่าวถึงว่าศาสนาใดมีมรรคปีองแปดศาสนานั้นเดะจะเป็นผู้มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็คือโสดาสกิทาครานาคาพระรหัน แต่ศาสนาใดไม่มีมรรคมีองแ์ดศาสนานั้นว่างจะทำสมณะทั้งสีนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนานี่เองเป็นศาสนาเดียวที่มีมรรคมีองค์8แต่คาว่าสมาธิที่เราฝึกกันข้างแรกเนี่ยเราที่เราฝึกกันมามากมายเนี่ยสมาธิแบบนี้เนี่ยมีทั่วไปซึ่งสมาธินี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกี บางคนที่งมาฝึกสมาธิเดี๋ยที่ว่าจิตนิ่งเข้าไปสมาธิเนี่ยนิ่งเข้าไปเนี่ยเราออกมาก็จิต ก, ก็คิดไปอย่างเดิมนั่นก็เรียกว่าโลกีนะก็คือฌานโลกีนั่นเองที่เราทํามันนิ่งออกมาก็เป็นโลกีเป็นโลกีหมดอันนี้ไม่ใช่ถึงพุทธนะไม่ใช่พุทธนะสแสดงว่าเราเป็นพุทธอยู่เนี่ยยังไม่ถึงพุทธแท้พุทธะ ท, ที่แท้เลยยังนอกพุทธอยู่เลยเพราะความเป็นอิจฉาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพุทธ ถ้าเกิดคนนั้นไม่ทำมาที่ยมักคือไม่ได้กาจัดกามนี้เนี่ยคนนั้นก็ชื่อว่านอกพุทธอยู่ถึงจะเป็นพุทธปริญาณตนว่าเป็นพุทธก็จริงแต่ความเป็นพุทธยังไม่ถึงเลยเวลาพุทธเจ้าจะพยากรว่านี่คือสงสาวกของเราเนี่ยจะพยากรพระโสดาบันเลยเพราะสาระ่พระโสาดาบันก็คืออบรมมักมาแต่คนอื่นเนี่ย ถึงจะเป็นพระหรือจะเป็นชีจะเป็นนักบวชเนี่ยไม่ใช่โสดาบันก็ยังรับรองไม่ได้ยังรับรองไม่ได้เขาเรียกว่าสมมติส่งไปเป็นส่งสมมุติไปแต่ถ้าเกิดว่าคารวะก็ดีเป็นบรรพชีก็ดีอบรมมรรคแล้วเนี่ยก้าวไปสึงโสดาบันสกิทาอาณาคาพระลาหนก็สามารถที่จะเป็นสงสาวกของท่านได้ แล้วเราพิจารณาที่บอกว่าเอาการมาคุณออกเนี่ยเป็นหนึ่งพระนาคามีกรารถึงจะหมดไปเลยพระโสดาบันไปแล้วแล้วก็เป็นพระอรหันต์ที่สุดอย่างที่แสดงให้จบไปเมื่อกี้นี้ในที่สุดก็คืออริยมรรคนี้ลำพังสมาธิไปไม่ได้งนั้นจะคิดว่าเราทำสมาธิกันเนี่ยคือสมาธิของพูเจ้าไม่ใช่นะไม่ใช่คือ คือยังไม่ถึงนะยังไม่เกิดเพราะว่าสถาบันที่พระเจ้าก็มีอิจมักก่อนอย่างที่ยกให้ฟังนะว่าพุทธองค์ทรงตอบปริภาชกว่าศา ส, สนาใดมีมกักมีองค์8ศาสนานั้นมีสมณะที่หนึ่งท่สองที่สองที่สามที่สก็แลในศาสนาของเรานี่เองมีมีมกักมีองแปดก็คือพุทธศาสนานี่เอง ถึงแม้ว่าเราจะปฏิ ญ, ญาณตนว่าเป็นพุทธเป็นพุทธแต่ว่าความเป็นพุทธของเราเนี่ยจะเข้าถึงโดยในยะของการอบรมมักมักนั่นแหละคือสัญลักษณ์อันนี้ก็หลายคนอาจจะเข้าใจผิดผิดถูกๆว่าเราเนี่ยเป็นพุทธแต่ยังไม่ใช่พุทธแท้นะยังพุทธนอกนอกยู่อ่ะยังกระพียังเปลือกอยู่เลยยังไม่ได้แก่นแท้อะไรถึงแม้จะเป็นพระสงฆ์บวชเป็นบรบรพชิตมาก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงความเป็นพุท ธ, ธะที่แท้จริง อันนี้ก็คือว่าความพุธธทธะทีแท้จริงเนี่ยเป็นของการที่เขาเรียกว่าต้องมีอัยามักขึ้นมาเวลาเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราอย่าทาตามกันเกินไปใครทำอะไรก็ตามตามตามแล้วก็อยู่ตรงนั้นเราต้องมีวิจนะญาณของเราบ้างการค้นคว้าการศึกษาการค้นคว้ากาัน ไม่ใช่ตามตามเขาตามผิดเรากจะทําไงอ่ะเขาเปิดพังผิดแล้วก็เสียเวลาตรงนั้นฉะนั้นต้องมีสติปัญญาโดยเฉพาะคําสอนพระเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยต้องเทียบเคียงเสมอไม่งั้นเราผิดหมดเลยอเช่นเหมือนกับว่าที่จะมาสอนไปเนี่ยบางคนก็บอกเอ้ยไม่เหมือนใครก็เขาไ ม, ม่ไม่มาสอนกันอะ่ะไม่มีใครออกมาสอนคั้นเรามาสอนก็เหมือนไ ม, ม่เหมือนกันไม่เหมือนใครก็จะเหมือนได้ไงเพราะคนอื่นไม่มาสอนเลยแล้วก็ตรงนี้คืออิยมักนั่นเอง เวลามาสอนก็กลายเป็นของแปลกใหม่ว่าเออไม่มีไม่มเีเขาเรียกว่ า, าไม่มีใครอื่นสอนเพราะว่าที่สอนนี้ก็คือเราสามารถจะไปได้ก็คืออิยามักนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าให้หัวข้อวันนี้ว่ากามโดยเฉพาะการนี้จะไม่เหลือเลยก็คือดับน้าไม่เหลือก็คือการเจริญอย่างนี้เองอิยามักนี่เองอันนี้จะเป็นเครื่องยืนยันได้ชัดจเจนว่า เราเป็นพุทธะที่แท้จริงก็คือการประพฤติปฏิบัติเวลาอบรมเนี่ยต้องต้องจะต้องมีระบบนะก็คือเราต้องตัดญาติขาดมิตรกันเลยจิตที่คิดไปข้างนอกเนี่ยตราบใดเราจิตเราไม่ขาดกามเราก็มีอยู่ตราบใดเราตัดขาดกามเราก็ไม่มีแล้วนั้นกามน่เองบ่งบอกถึงความดับสนิทของอารมณ์ทั้งมวลว่าเราจะไม่มีที่ไหนที่ไหน เังนั้นกามนี้เองหมดสิ้นไปจิตคนนั้นก็จะไม่อยู่ข้างนอกเลยจะไม่มีการเพ่นพ่านไปไหนเลยไม่เพ่นพ่านไปไหนเลยก็คืออยู่ในภายในตลอดนั่นแหละจะเป็นเครื่องยืนยันถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างนี้แล้วกามเราก็สิ้นไปจิตเราไม่มีการไปกันมาดับสนิทเนี่ยถ้ามีคนมาบอกว่าเนี่ยผิดแล้วนะเราพอใจไหมล่ะหมายถึงว่า ผิดก็ช่างถูกก็ช่างเราพอใจในผลใช่ไหมล่ ะ, ะผลนั้นเขาบอกว่าคนคนนั้นป่วยอยู่เวลากินยามากินยาแล้วเนี่ยปรากฏว่าการป่วยของเราหายแล้วมีคนมาบอกว่าเนี่ยกินยาอะไรไปเนี่ยผิดแล้วนะไม่ถูกยานั้นไม่ถูกก็โรคเราหายแล้วอะเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกผิดก็ช่างถูกก็ช่า ง, ง แ, แต่โรคเราไม่มีแล้วก็ถือว่าจบกันไป อันนี้ก็เราก็เอาโลกเราว่าใครคมอื่นว่าเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันว่าใครบอกว่ า, าหลวงพ่อนี่สอนผิดแล้วไม่ถูกถูกก็ไม่ว่าผิดก็ว่าแต่สามารถทำลายกามได้ท้าสามารถจะทำลายความปรุงแต่งของจิตได้คือคือคนที่ถูกเนี่ยความปรุงแต่งความปรุงแต่งของจิตเนี่ยจะไม่มีเหลือเลยฉะนั้นคนที่พ้นทุกเนี่ยจิตเขาจะไม่อยู่ข้างนอกเลย คือไม่ส่งออกจิตออกไม่ส่งออกมาจากข้างนอกเลยไม่มีการปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยดับเย็นอายตนะนี้ไม่มีรวยรั่วเลยคือจิตไม่ออกจากตัวนั่นแหละมันอยู่คือจิตอยู่ในตัวน่ะแต่อยู่ข้างในแต่ไม่มีการไหลไปไหลามาของจิตเลยนั่นคือเครื่องวัดของความพ้นทุกข์ได้สมาธิใดที่เราทำจิตยังเพ่นพ่านอยู่ไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่ว่านับนับตรงที่ว่าเข้าสมาธินะ เวลาเวลาเขาจะวัดกันเนี่ยเขาไม่ได้วัดตอนเข้าสมาธิเวลาจิตเข้าสมาธิเนี่ยจิตยังไงมันก็อยู่ไม่อยู่นอกหรอกมันก็ดิ่งอยู่ภายในนั่นแหละแต่เขาวัดตรงที่ออกจากสมาธิแล้วฉะนั้นคนที่มีสมาธิเนี่ยออกมาจากมาสมาธิเนี่ยจิตต้องไปแน่นอนแต่สําหรับคนที่อบรมอยามากมาเนี่ยไม่มีไปถึงไม่เข้าสมาธิสักร้อยปีก็ไม่มีไปวันหนึ่งยี่สบสี่ชั่วโมงก็ไม่มีรั่ว แม้แต่แม้แต่ไม่ได้เข้าสมาธิเลยนี่คือของแท้นี่คือการที่อบรมมา ย, ยมักคือผลของการอบรมมา ย, ยมักจะมีผลเช่นนี้ออกมาอันนี้แหละชื่อว่าถูกต้องใครบอกว่าผิดเออไม่เป็นไรเราผิดก็ผิดถูกก็ถูกไม่ว่ากันแต่ผลนั้นเราพอใจแล้วจากนั้นถูกหรือผิดเนี่ยเราจะไม่เอาคำพูดคนอื่นม า, มาเป็นประมาณเราพอใจในผลเท่านั้นเอง เราก็พอใจแล้วฉะนั้นคนก็ว่าไปนะว่าไปแต่การพิสูจน์ของเรานั่นเนี่ยจะเป็นเครื่องพอใจในเราแล้วคนที่คาทำได้ดีกว่านั้นนะ่ะว่าทางที่ถูกนะ่ะเอาผลมาวัดกันสิใครจะดีกว่ากันผลต่อผลเออผลต่อผลมาเทียบเพียงดูซิว่าผลของใครจะสวยผลของใครจะดี ในเมื่อการอบรมยมมักเนี่ยผลก็คือไม่มีจิตล่องลอยภายนอกเลยไม่มีจิตลอยอยู่ในโลกใบนี้เลยนะทั้งทั้งตัวก็อยู่ในโลกนี้แหละนี่คือความแน่นอนมากแล้วใครทำได้บ้างละ่ะไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายนะตรงนี้นี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าคนที่ผิดนะผิดอย่างนี้นะั่นแต่คนที่ถูกนะลอยหรือเปล่าละ่ะที่เขาบอกว่าผิดว่าถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดได้ดีว่าการปฏิบัติของคนเราเนี่ย จะเป็นเครื่องพูดพิสูจน์ของการากระทําของเราเขาต่างคนต่างหาต่างคนต่างค้นคว้าเพราะคําสอนพระเจา้าท่านสอนไว้เนี่ยท่านไม่ได้อยู่แล้วท่านไม่ได้มาสอนเราแล้วเพียงแต่ว่าคําสอนของท่านยังอยู่แล้วแต่ใครจะคบคิดหรือจะค้นคว้าได้ได้ได้แค่ไหนอย่างไรนั่นเป็นเครื่องยืนยันของแต่ละ บ, บุคคลว่าจะค้นคว้าได้แค่ไหนอย่างไร ฉะนั้นเราก็เหมือนลูกหลานที่พู้เจ้าทิ้งบรดกให้เราแล้วแต่ละคนจะขบคิดตัวเองว่าจะได้แค่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมมาถึงวาระสุดท้ายเนาะก็เลยเวลาแล้วนั่นเนี่ยแต่วาระครังก็ยังไม่ตีก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคาสอนพู้เจ้าทุกคนทุกท่านเตือน